ธรรมบทแปลเรื่องที่8ปเรื่องอนัตถปุจฉกะพราหม์ภาคที่สเรื่องที่สของวรที่8สหัสวรรควรรณน า, นาพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเจตวันทรงปรารบอนัตถปุจฉกะพราหม์ตรัสประธรรมเทศนานี้ว่าอัตาฮาเวเป็นต้นได้ยินว่า พรามนั้นคิดว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างเดียวหรือหน่อแหลหรือทรงทราบแม้สิ่งมิใช่ประโยชน์เราจักทูลถามพระองค์ดังนี้แล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระสัส ด, สดาทูลถามว่าพระเจ้าข้าพระองค์เห็นจะทรงทราบสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างเดียวไม่ทรงทราบสิ่งที่มิใช่ประโยชน์พระศัสดาพราม เรารู้ทั้งสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งสิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์พรามถ้าเช่นนั้นขอพระองค์จงทรงตรัสบอกสิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์แก่ข้าพระองค์เถิดลาดับนั้นพระศาสดาตรัสพระคถานี้แก่พรามนั้นว่าอัสูระเซ ย, ยังอาลักยังจันดิกังทีกสโติยังเอกัสสัทธานะกะมมัง ระดารูเปเซวนังเอตังบรามณะเซวะสุอนันทั่งเตภวิสตีติการนอนจนตะวันขึ้นคือนอนตื่นสายความกิดร้านความดุร้ายการปัดวันประกันปรุงการเดินทางเหงคนเดียวการเข้าไปเสพภรรยาของปื้นพราม ท่านจงเสพกรรมหกอย่างนี้เถิดสิ่งไม่ใช่ประโยชน์คือความชิบหายจากมีเกตท่านพราหมณ์ฟังพระพุทธดำรัตนนแล้วได้ให้สาธุการว่าดีละดีละท่านผู้เป็นอาจารย์ของคณะท่านผู้เป็นใหญ่ในคณะพระองค์เที่ยวยอมงรงสาบทั้งสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งสิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์พระศาสดา นั้นพราหมณ์ขึ้นชื่อว่าผู้รู้สิ่งที่เป็นประโยชน์และสิ่งไม่ใช่ประโยชน์เช่นกับด้วยเราไม่มีลําดับนั้นพระศัสดาทรงตรวจดูอัธยาศัยของพราหมณ์นั้นแล้วจึงตรัสถามว่าพราหมณ์ท่านเป็นอยู่คือเลี้ยงชีพด้วยการงานอะไรพราหม์โดยการงานคือการเล่นสกาในวงเล็บ การพนันพระโคดมผู้เจริญพระสัสดาก็ทันชนะหรือแพ้เล่าเมื่อพราหมณ์นั้นทูลว่าชนะบ้างแพ้บ้างดังนี้แล้วพระสัสดาจึงตรัสว่าพราหมณ์นั่นยังมีประมาณน้อยขึ้นชื่อว่าความชนะของบุคคลผู้ชนะผู้อื่นไม่ประเสริฐส่วนผู้ใดชนะตนได้ด้วยชนะกิเลศ ความชนะของผู้นั้นประเสริฐเพราะว่าใครๆไม่อยากทำความชนะนั้นให้กลับพ่ายแพ้ได้เมื่อจะทรงสืบพนุสสนทีแสดงธรรมจึงตรัสพระคาถานี้ว่าอัตตาหเวชีดังเซโยยาจายังอิตราประชาอัตตะดันตัสสะโปสสะนิจังสั้นยะตจาริโนเนวะเดวนกัรทัพโภ นมารสหบรหุนาจิตังอบาจิตังกเ ย, ยราตาธารูปสะจันตุโนติตนนั่นแลบุคคลชนะแล้วประเสริฐส่วนมูสัตว์นอกนี้บุคคลชนะแล้วไม่ประเสริฐเลยเพราะเมื่อบุรุษ ฝ, ฝึกตนแล้วประพฤติสมรวมเป็นนิดเทวดาคนทันมาร พร้อมทั้งพรมพึงทำความชนะของตนเห็นป่านนั้นให้กลับแพ้ไม่ได้เลยแกอัในประกาถานั้นสับว่าหะเวเป็นนิบาตสับว่าชิตังเป็นลิงคาวิปะลาดความว่าตนอันบุคคลชนะแล้วด้วยความชนะกิเลสของตนพระเสดิฐบาปพระกาถาว่ายาใจายังอิตราปรจา ความว่าส่วนหมูสัตว์นี้ใดคือที่เหลือปึงเป็นผู้อันเขาชนะด้วยการเล่นสากาก็ดีด้วยการช่อสักก็ดีด้วยการครอบงำพลในสงครามก็ดีความชนะที่บุคคลผู้ชนะหมูสัตว์นั้นชนะแล้วไม่ประเสริฐถามว่าก็เหตุไรความชนะนั้นเท่านั้นประเสริฐ ความชนะนี้ไม่ประเสริฐแก่ว่าเพราะเมื่อบรุษฝึกตนแล้วและอื่นๆของสัตว์เห็นป่านนั้นให้กลับแพ้ไม่ได้พระสัสดาตรัสคำนี้ไว้ว่าเพราะว่าเมื่อบรุษผู้ชื่อว่าฝึกตนแล้วเพราะเป็นผู้ร้ายกิเลสไม่มีกิเลสเพีย ง, ด, งดังเนินมีปกติประพฤติสมรวมทางกายเป็นต้นเป็นนิด เทวดาก็ดีคนทันก็ดีหรือมานพร้อมทั้งพรหมแม้ภาคเพียนพยายามอยู่ว่าเราจะทำความชนะของผู้นั้นให้กลับแพ้จากทำกิเลสทั้งหลายที่เขาละได้ด้วยมักคะภาวนาให้เกิดอีกก็ไม่พึงอาจเลยเพื่อจะทำคือความชนะของสัตว์เห็นปานนั้นคือผู้สมรวมแล้ว ด้วยการสำรวมทางกายเป็นต้นเหล่านี้ให้กลับแพ้เหมือนผู้แพ้ด้วยทรัพเป็นต้นแล้วเป็นประปักผู้ชนะที่คนนอกนี้ชนะแล้วพึงทำให้กลับแพ้อีกฉะนั้นในเวลาจบเทศนาชวนเป็นอ น, นมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีสดาปฏิผลเป็นต้นทั้งนี้แลเรื่องอนัตถปูชกะพรามจบ